بسم like الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا ع ِ م ل ن َ ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن َ ا إ ن ك َ أ ن ت ا ل ع َ ل ِ ي ُ ا ل ح ك ي م อธิษฐْนให้สัตว์ดีวยซีรีอัมรีวะหลุ่มอัคดْ ل ُมิลซาลีย์ฟกูโ ن วลี سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علي من حكيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتناولنا شور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอขอบคต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอบคุณในเนืม้มาตรความโปรดปานจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ที่ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็ทามดิลลาเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในยามเช้ามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกรรุรอานเัพสิร์ซุร่าอัลตะควีรนะครับ ชื่อสุรนี้ก็มีความหมายว่าการม้วนดับแสงนะครับกวารออยู่เกวิรุตคิรเนี่ยแปลว่าการม้วนแต่เราสมถามตระได้พูดได้ทรงตรัสเกี่ยวกับการม้วนดวงอาทิตย์ให้ดับแสงซึ่งเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมะเป็น ภาพอันน่าสะเึงกลัวที่อัลลอฮสุลตาได้ทรงตรัสให้มนุษย์ได้เตรียมตัวนะครับถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นเหตุการณ์ที่บรรดามุชริกีนบรรดากุฟาร์ในสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮอะลัยฮซลมนั้นปฏิเสธพวกเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นกุฟาร์นะครับเพราะว่า เขานั้นได้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกียามะซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาได้ยืนยันเอาไว้ในอันกุรอานว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ท่านนบีมหามะฮ์มัด ส, ส, ส, ส, ส, ส, สุลลัลฮมก็ได้มายืนยันถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าจะเกิดขึ้นอันทำดีละนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันจนมาถึงวันนี้ นะครับอายะที่ 28-29 ก็คือ2อายะสุดท้ายนะครับที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ได้ได้ทำการอธิบายมานะครับอายะแล้วในช่วงต้นนะครับเป็นอายะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสาบานอัลลอฮ์สุลต่าได้ทรงหยิบยกสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในวันเกียมานั้นได้หยิบยกขึ้นมาสาบาน ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่สภาพอันน่าสะพึงกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายนะครับได้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นบุคคลที่ไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮสุภาโนตาลาและก็อาจจะมีกลุ่มชนนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์ เหตุการณ์อนาเสพึงกลัวในวันเกียรมาดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอายะต่างๆที่ท่านอับดลีมฮามาสลอมสัลลมัมบอกว่าหรือสูราต่างๆนะครับที่อัลลอฮุฮาห์ต阿าบอกว่าใครก็ตามเจอาที่ท่านนาบีนะครับได้บอกกับบรรดาสหฮาบะ์และก็ประชาชนาว่าใครก็ตาม ที่อยากจะรู้ถึงสภาพของวันกิยามิ์เนี่ยให้เขาได้ศึกษา3สุระ3สุระคือสุระอะไรบ้าง 1. สุระอัตตักวีรที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็สุระอันอินชอกอกิควกแล้วก็สุระอันอินฟิตร์นะครับสสุระนี้จะเป็น3สุระที่องค์รัชตาาได้ทรงพรนรนา ได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่าวันเกียรติจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่โลกถึงวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอาลัาลลอด้ทรงตรัสเอาไว้ในสามสุรนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวนและก็เรียนรู้จากอันกราให้มากๆนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในสองอายะสุดท้ายนะครับว่า Um บัณฑออิตที่าจะเป็นนแแค่ออ่่ออยะะตวาี้ได้พูดถึงเรื่อออองงขากกีับก็ารศึกํก า, ายใให้้้เเราาไดขจถึง เรื่องกบฏวังก อ, ก อ, กอดัลหรือมชัชยาความประสงค์พระประสงค์ของลอสปานิตาอาลาที่ได้ประสงค์สิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นประสงค์สร้างประสงค์สิ่งต่างๆนะครับแล้วก็มนุษย์นั้นมีความต้องการเป็นเอกเทศหรือไม่หรือว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาโดยถูกลิขิดบังคับไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ สิ่งเหล่านี้เราก็จะมาคุยกันในสองอายะนี้นะครับประเด็นสุรอะยะแรกนะครับคืออายาที่28ที่จะคุยกันในวันนี้อรรถสุภานุตาลาได้ทรงตรัสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราจะไปคุยกันก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับอายาที่อรรถสุตราได้ทรงตรัสว่าฟฝไอเนตสหาบูญ น, นะครับหลังจากที่อรรถสุตราได้ทรงยกตัวอย่างมากมาย เกี่ยวกับเรื่องของวันเกียรมะและก็ยืนยันผ่านอนันกุรอานกับผ่านท่านอับดุลเบี๋มหะมมัสลองซันน์ได้มายืนยันว่าวันเกียร์มะนั้นจะเกิดขึ้นจริงและสถานการณ์ในวันเกียร์มะนั้นนะครับจะเป็นไปดังที่อัลลอฮฺสต้าได้ทรงตรัสเอาไว้และทุกคนจะฟื้นคืนชีพถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะกลับไปสู่ดินอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะมีกระดูกอยู่ ชิ้นหนึ่งที่มันจะยังคงหลงเหลืออยู่โดยที่มันจะไม่ถูกดินกลืนกินนั่นก็คือกระดูกก้นกบนะครับและอัลลอฮฺสุดาจะให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพ ข, ขึ้นมาจากกระดูกชิ้นนั้นและผู้ฝ่ายนัสตาบูและเขาจะไปไปทางใดทางไหนอีกนะครับเขาจะไปทางไหนอีกเขาจะอ้างอะไรอีกเขาจะ ตัวแย้งอะไรกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกอินหัวอิลลาไิกรุลิลอาเลมีนและอันกรานนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่จะเป็นตัสกิรนะครับเป็นตัสกิรให้กับอาเลมีนนะอาเลมีนคำนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรอินตรงนี้นะครับอินเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างในภาษาอาหรับเนี่ยอินชารติยะอินที่พูดถึงเรื่องของชรัษ คือชูรูตเงื่อนไขถ้าหากว่าเกิดสิ่งนี้ก็จะมีสิ่งนี้ตามมาหรืออินมุคัฟฟะฟะมินัสกีละก็คือมีความหมายของอินหน้าว่าแท้จริงแต่อินในที่นี้นะครับมีความหมายของนามานาฟิยะนะครับแปลว่าไม่ใช่อินหึงว่ากุรานั้นไม่ใช่อิลลาเว้นแต่ว่ามันจะเป็นซิกรุนลิลอออแลมีนเป็นตัสกีข้อเตือนใจ ให้กับอาลามีนอาลามีนก็คือบุคคลทุกคนที่อัลลอฮ์สุตลตาราได้ส่งแต่งตั้งท่านนาบีไปเรียกร้องพวกเขานะครับอาลามีนตัวนี้นะครับเชคอุสเซมินบอกว่าแปลว่าใครก็ตามแต่ที่ท่านนาบีมหมมัอสุลตัลลัมลลนั้นได้ถูกแต่งตั้งมาอย่างพวกเขาก็คือตั้งแต่วันที่อิสลามมาประกาศมนุษย์ทุกคนจนถึงวันเกียรมะนะครับก็คือผู้ที่จะต้องรับรู้เรียนรู้ แล้วก็น้อมรับบัญชาใช้จากอันกุรอานที่อัลลอฮสุต่าได้ทรงประทานมาเราจะเห็นได้ว่าคำว่าอาลมีนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือทุกคนจะพูดถึงกว้างๆมนุษย์ทุกคนนะครับเป็นซิกรุนเป็นกุรอานนั้นจะเป็นตัสกกรเป็นข้อเตือนใจที่อัลลอสุตานได้ประทานมาให้กับมนุษยชาติทั้งหมดเลมันชาอามิงคุมอิยสต์ะคิม ลิมันชะอาหมิงกุ่มไอเอสต์กิมและสําหรับผู้ที่นะครับจากและสําหรับบุคคลหนึ่งและสําหรับบุคคลกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งจากพวกท่านที่เขาประสงค์จะยืนหยัดในหลักการอันอิสลามสําหรับใครอันกุรานถูกประทานมาเป็นตัสเกียข้อเตือนใจสําหรับใครสําหรับคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่าน ที่เขานั้นต้องการที่จะยัสต์กีมอิสเตกอร์มายืนหยัดในศาสนาของลอสุมห์ตลาดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าอายะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะมีความหมายพูดกว้างๆว่ากุรา น, นั้นถูกประทานมาให้กับมนุษยชาติทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่รู้ว่าอันกุรา น, นั้นเป็นดำรัสของ a l l a กูรรานอยู่เบื้องหน้าเขากุรรานถูกประทานลงมาแล้วพวกเขาจะได้รับประโยชน์ไม่ใช่ทุกคนอัลลอฮฺประทานจึงทรงตัดนะครับระ บ, บุถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากอัน้นกุรรานนั่นก็คือสําหรับบุคคลที่เขาต้องการยืนหยัดในศ า, าสนาสําหรับบุคคลที่เขาต้องการที่จะมั่นคงอยู่ในศาสนาเท่านั้นนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากอัน้นกุรรานอยายะนี้มาจะเจาะจงอายะก่อนหน้าอายะก่อนหน้าพูดกว้างๆ ว, ว่าครับว่า กุรอานนั้นประทานมาให้กับมนุษยชาติแต่ไม่ใช่มนุษยชาติทุกคนบรรดามนุษย์ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานจะมีแต่ผู้ที่เขาต้องการที่จะดำรงมั่นอยู่ในศาสนาเท่านั้นที่จะได้รับคุณประโยชน์จากอัลกุรอานนะครับลิมันแอะมินกุมอายสตาคีมมินกุมมินนะครับจากพวกท่านที่จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาจะ ยืนหยัดและเขามีความประสงค์นะครับที่จะยึดมั่นมั่นคงอยู่ในศาสนาอาญะนี้จึงมาตีกรอบนะครับแค่มนุษย์กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่จะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานและกุรอานนั้นจะยังประโยชน์ให้กับใครอลัลลอฮสุลต่าได้ทรงตัดเอาไว้อีกในอยนายะนะซุลอกกอฟอายะที่37บนะครับว่าอินน์ฟีจากลิกะลาดิกรอลิมันคานะลห์ควัลบุน ว a าอัลก و อัลกัสม์อ่ شهيد ah แท้จริงแล้วนะครับในสิ่งดังกล่าวนั้นในการนั้นอัลกุรอานจะเป็นที่เตือนใจสำหรับบุคคลที่เขามีหัวใจนะครับมีหัวใจแล้วใช้หัวใจในการนึกคิดพินิษ์พิจารณาต่ออัลกุรอานแล้วก็คนที่รับฟังอย่างจริงจังเท่านั้นที่เขาจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอาน นะครับวันนี้อันกุรานอยู่ถูกวางอยู่เบื้องหน้าเราแต่หลายคนก็ได้รับประโยชน์จากอันกุรานหลายคนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากอันกุรานนะครับทั้งๆที่ว่าอิสลามการดํารงชีวิตวิถีชีวิตนะครับธรรมนูญแห่งการดําเนินชีวิตให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะ่ะอยู่ในคําเพียงอันกุรานทั้งหมดนะครับแล้วก็ถูกอธิบายโดยท่านอบีม๋มฮัม์มส์ซุลลัลฮ์วาลิลัลซัลลัม อยู่เบื้องหน้าเราแต่หลายต่อหลายคนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอันกุรานเว้นแต่คนที่เขามีหัวใจและเขาใครีครวนคนที่มีหัวใจคนที่ใครีครวนนะครับพินิจพิจารณาจากคําสอนนอันกราร์นแล้วก็คนที่เปิดใจรับฟังอย่างจริงจังเท่านั้นนะครับที่เขาจะได้รับความรู้และได้รับประโยชน์จากอันกุราน ฟันอินซานอันละติยุดลาอยุริโดนอิสตกมะดังนั้นนะครับบุคคลที่เขาไม่ได้ต้องการการยึดมั่นการมั่นคงในเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอันกุรานดังนั้นตรงนี้นะครับเช ค, คุเซมนก็บอกว่ามาถึงตรงนี้ถ้าหากว่ามีคนถามว่าดังนั้นนะครับอัลลอฮสุลตารทรงตัดว่าสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์มีความต้องการที่จะ ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในหลักการของอิสลามเขาจะได้รับประโยชน์จากอันกุรานจะได้ข้อเตือนใจเนี่ยถ้าหากว่ามีคนถามว่าแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับมีความต้องการด้วยกับสิ่งที่เขาเลือกเองหรือไม่นะครับมนุษย์มีความต้องการเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกปฏิบัติเลือกจะทำสิ่งต่างๆในโลกเนี้ย ด้วยกับตัวเขาเองหรือไม่หมายถึงมันจะมีคำถามในเรื่องของอากิดาด์อยู่ข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับถ้าว่าเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องกอร์บวันกอดาัตเนี่ยมันจะมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งว่าฮารินอินซาโนมูเซยรุอา ม, มูไคยารนุนะครับก็คือคำถาม ท, าที่มีคนถามนี่แหละครับว่าสำหรับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมีมัชีอะมีความต้องการด้วยกับสิ่งที่เขาเลือกเองหรือไม่ นะครับคำถามนี้ก็คือตกลงแล้วมนุษย์เนี่ยถูกลิขิตบังคับมาให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺประสงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความดีที่เขาทำความช่วยที่เขาทำถูกอัลลอฮฺทรงอัตละนะครับบังคับมาทั้งหมดหรือว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะมุคัยัดเลือกเองได้นะครับคำถามนี้ต้องต้องเข้าใจถ้าเราเคลียร์คำถามนี้ได้เราจะมีความเข้าใจในเรื่องกอร์ดวันกอดัตได้เป็นอย่างดีนะครับ ตกลงแล้วมนุษย์หมู่ยัดหรือหมู่ขยัดนะครับบรรดาอุลามะหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอากิดะเนี่ยท่านตอบไว้ว่านะครับว่ามนุษย์เนี่ยเลือกได้และมนุษย์ไม่ได้ถูกบังคับทั้งหมดแต่ถ้าจะพูดถึงในเชิงถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีทางเลือกมันก็มีอยู่นะครับในบางเรื่องในการกาหนดของลอสซาตาลาที่กาหนดให้กับเราเนี่ย มีทั้งกำหนดที่เราสามารถที่จะเลือกได้และก็เลือกไม่ได้นะครับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ก็คือสิ่งที่มันเกินความสามารถของเราอย่างเช่นนะครับอัลลอฮสตลาได้ทรงสร้างทรงกำหนดให้มีโลกใบนี้มีการเป็นการตายนะครับแล้วก็มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วมีโลกใบนี้มีการหมุนโคจร ระบบแกาล็กซี่จักรวาลสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างที่มนุษย์ไม่สามารถเลือกได้ให้เป็นกลางวันกลางคืนพอถึงกลางวันอยากจะให้เป็นกลางคืนพอถึงกลางคืนอยากจะให้ให้เป็นกลางวันน่น ย, ะ น, น, น, ยนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเลือกได้แต่สิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะเลือกได้มนุษย์มุขยาัดเนี่ยก็คือพฤติกรรมของเรานะครับที่เราได้ทําไปความดีความชั่วที่เราได้ปฏิบัตินะครับจากการงานของเรา สิ่งเหล่านี้เราเลือกได้หมดเราจะไปไหนเราจะเดินทางไปไหนเราจะนะครับประกอบอาชีพอะไรมันเป็นสิ่งที่เราเราเลือกได้นะครับดังนั้นก็จะมีสิ่งที่เลือกทั้งเลือกได้และก็เลือกไม่ได้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนวันนี้เราเกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายบางคนเกิดเป็นผู้หญิงแน่นอนครับว่าไม่มีใครสามารถเลือกเพศให้กับตัวเองได้ว่าฉันจะเกิดมาเป็นเพศชายฉันจะเกิดมาเป็นเพศหญิง นะครับสิ่งที่เราไม่สามารถเลือกได้อะไรก็ตามที่มันประสบกับเราความพิกลพิการความไม่ปกติทางร่างกายนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มาประสบกับเราการกำหนดที่เราไม่สามารถมาเลือกได้เนะี่ยหน้าที่ของเราจะต้องพอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาขอบคุณและคิดดีกับอัลลอฮสุบฮานาูตะอาลานะครับแต่สิ่งที่เราเลือกได้เราจะโบย เราจะอ้างว่าอัลลอฮฺสุฮาตาลาทําไมถึงกําหนดให้ฉันทําชั่วแบบนี้เราอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้เราเลือกเองนะครับดังนั้นเชคอุไซมินนะครับท่านบอกว่านักูลเราขอกล่าวว่านะครับกับคําถามที่บอกว่าตกลงแล้วมนุษย์มีความต้องการมีทางเลือกเป็นของตัวเองหรือไม่เนี่ยเชคอุไซมินบอกว่าน่ามใช่ มนุษย์นั้นมีความต้องการแล้วก็เขาก็เลือกความต้องการของเขาเองในพฤติกรรมของเขาอัลลอฮุซฮะตะลาให้มนุษย์นั้นมีอิสติยาร์วะอิรอดะนะครับมีความต้องการมีการเลือกที่จะทาสิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองอินชาอัฟานวะอินลำวะอินชาลำยฟันใครใครจะทำอะไรเขาก็ทำใครไม่ประสงค์จะทำอะไรเขาก็ไม่ทำนะครับมันมาจากการกระทำของเขาทั้งหมด ดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้นะครับเราเชื่อว่ามนุษย์ถูกบังคับทั้งหมดเลยมนุษย์ไปกินเหล่ามนุษย์ไปทําซีนามนุษย์ไปทําความผิดบาปก็อ้างว่าอัลลอฮฺสุลตานกาหนดนะครับอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันทําความชั่วแล้วอัลลอฮฺสุลต่านจะลงโทษฉันได้อย่างไรนะครับถ้าหากว่ามีใครอ้างแบบนี้ดังนั้นนะครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือว่าถ้าหากว่าในโลกใบนี้ถูกอัลลอฮฺสุลตานบังคับลิขิดนะครับ ให้มันเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ทั้งหมดไม่มีทางเลือกมนุษย์ไม่มีทางเลือกอะไรเลยเนี่ยดังนั้นการที่อัลลอฮ์สตาทรงนบีมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่านาบีมาเพื่อที่จะชี้นำนะครับเชื้อเชิญผู้คนไปสู่ความดีงามแล้วก็นําอิสลามมาบอกกล่าวนาหนทางถึงสวรรค์มาบอกกล่าวนําหนทางสู่นรกนะครับมาตักเตือนเนี่ย ถ้าหากว่าเอาลัทุิศาลาบังคับมนุษย์ทั้งหมดโดยที่ไม่ให้มนุษย์เลือกการมาของนบีก็ไม่มีประโยชน์นะครับนบีจะมาสอนทําไมว่าอันนี้คือความดีอันนี้คือความชั่วอันนี้คือเตาฮีตอันนี้คือเชริกอันนี้คือการให้เอกภาพต่ออละอันนี้คือการตั้งภาคีต่อลัทธิสุภานุตาลาถ้าหากว่านะครับมนุษย์ถูกบังคับมนุษย์ไม่มีทางเลือกสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ถูกโยนลงไฟนรกด้วยกับการที่เขาไม่มีสิทธิเลือกเนี่ย การที่อัลลอฮฺสุลตาแต่งตั้งนบีมาส่งนบีมาก็จะไม่ยังประโยชน์เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการส่งนบีมาฮิกมักของการแต่งตั้งนบีขึ้นมาเพื่อที่จะมาเชิญชวนผู้คนไปสู่สัจธรรมแล้วก็ห้ามปรามทำให้ผู้คนออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายนั้นมันมีมันมันยังประโยชน์มันเป็นหลักฐานให้กับมนุษยชาตินี้ว่ามนุษนั้นสามารถที่จะเลือกเดินบนหนทาง ที่เขาเลือกได้บนพฤติกรรมนะครับต่างๆนานาที่เขาสามารถเลือกเองได้โดยที่ไม่ถูกบังคับใดๆจากอัลลอฮฺสุลฮฺตาลานะครับทีนี้สิ่งนี้เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเรานั้นมีทั้งสิ่งที่ถูกบังคับให้เราเลือกไม่ได้และก็สิ่งที่เราสามารถเลือกเองได้สิ่งที่เราเลือกเองไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกินความสามารถของเรานะครับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ เอาล้อทรงประสงค์ก็คือเช่นความเป็นความตายเกิดแก่เจ็บตายนะครับแล้วก็ความการเป็นไปวิถีโคจรของการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันมาประสบกับเรานะครับบททดสอบต่างๆเนี่ยอันนี้เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือพฤติกรรมของเราเองเนี่ยเราจะไปไหนเราจะทำอะไร นะครับเราจะอ้างกับอัลลอฮฺมุฮัตมัอลาไม่ได้เลยนะครับเชคอุไซมินนะครับท่านก็บอกอีกนะครับว่าดังนั้นถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ามนุษย์เนี่ยเขาทำอะไรก็ตามแต่นะครับบิอ็กติยารฮด้วยกับสิ่งที่เขาเลือกเองมนุษย์เลือกเดินทางของตัวเองจะเป็นมุสลิมจะไปเป็นมุสลิม จะนับถือศาสนาอะไรจะเชื่อในพระเจ้าองค์ไหนนะครับเขาเลือกเองเขาเลือกที่จะเป็นกาเฟตเขาเลือกที่จะเป็นมุสลิมเขาเลือกที่จะปฏิเสธศรัทธากุลูอินซาเนยาอะลิฟอันนุอิดะอรอเดอไอยะแทบะอิลามกัตตะโฟะบิอิคติยาลิฮีดังนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยใครก็ตามที่ต้องการจะเดินทางไปยังมาดีนะนะครับเมืองมาดีนะ เขาก็เลือกที่จะไปเองไปมักกะเขาก็เลือกที่จะไปเองไปมัสยิดอัคซอเขาก็เลือกที่จะไปเองไปไปตลาดเขาก็เลือกที่จะไปเองนะครับไม่มีใครสักคนหนึ่งนะครับพอเลือกที่จะทําสิ่งใดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเหมือนถูกบังคับมานะครับพฤติกรรมฉันฉันไม่สามารถขัดขืนพฤติกรรมนี้ได้เลยเวลาฉันคิดจะทําอะไร พฤติกรรมมือไม้ฉันมันไปเองไม่มีใครเป็นแบบนี้สักคนนะครับเวลาคิดจะทำอะไรมันก็มาจากการเลือกของเขาจะไปตลาดจะไปซื้อของจะไปโรงเรียนนะครับจะไปทํางานก็เป็นการเลือกของเขานะครับไม่มีใครที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครบังคับอะไรเขาเลยนับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขานั้นเลือกที่จะทํามันเองด้วยกับความประสงค์ความต้องการของเขานะครับ แล้วก็เชคุซัยมีนบอกว่าเช่นเดียวกันกับการที่คนคนหนึ่งจะยืนหยัดอยู่บนการเชื่อฟังอัลลอ์และก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ุนาตาลามันก็มาจากอิคติยาริฮีการเลือกของเขานะครับ ม, มนุษย์ทุกคนมีความประสงค์มีความต้องการแต่เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์สุนตาลาให้สิทธิเสรีในการเลือกของมนุษย์ว่ามนุษย์จะเป็นอะไรมนุษย์จะทาอะไร มนุษย์เลือกจะฝ่าฝืนมนุษย์เลือกที่จะศรัทธาต่ออลอสุภาโนตัลลานะครับความประสงค์ความต้องการของมนุษย์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺสุภาโนตัลลาอีกทีหนึ่งความประสงค์ความต้องการของมนุษย์นะครับอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺสุภาโนตัลลาอัลลอฮฺสุภาโนตัลลานะครับทรงอธิบายทรงตรัสเอาไว้ในสุระบะกระนะครับอายะที่253ว่า ว่าถนะ้าข้าาอตัด แ, ดแล้วี่นั้นจ า, ากานั้นถ้ามี่นั้นจากนั้นถ้าทบ่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นาที่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที่พวกเขานั้นถ้าที่นะับบ้นจ า, นากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที่นั้นจากนั้นถ้าที กับศาสนาที่อัลลอฮฺได้ท่งประทานมาฟามินฮุมมันอามานะและจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เขาศรัทธาว่ามินฮุมแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมันกฟาฟาร์ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าเราเชือัลลอฮฺมักตาตลูลหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์พวกเขาก็จะไม่ทำการเข็นฆ่ากันนะครับอายะนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าที่เขาเข็นฆ่ากันนะครับมันเป็นการเลือกของพวกเขา ที่เขาปฏิเสธศรัทธามันเป็นการเลือกของพวกเขาดังนั้นก็จะมีกลุ่มชนที่ศรัทธากลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธามันเป็นการเลือกของพวกเขาแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮสุบฮานาูตาลาไม่ประสงค์นะครับพวกเขาก็ไม่เข็นค่ากันแต่ในที่นี้เพราะมันเป็นความประสงค์ของอัลลอสุบฮานตาลาที่อัลลอฮสาตาลาประสงค์หลังจากที่พวกเขาเลือกแล้ว พวกเขาเลือกที่จะเขียนค่ากันพวกเขาเลือกก่อนที่จะทําการฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุฮานุตาลาและหลังจากนั้นมันก็จะเกิดขึ้นและเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์อิสลามอีกทีหนึ่งว่าอัลลอฮ์จะประสงค์ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดหรือไม่และถ้าอัลลอฮ์สุฮานุตาลาประสงค์นะครับให้สิ่งเหล่านั้นเกิดนั่นหมายความว่าให้เรารู้อย่างมั่นใจและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์อิลาให้เราเลือกแล้วให้เราเลือกก่อนแล้วนะครับ และอัลลอฮฺสุลต่านจึงประสงค์สร้างมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งถ้าอัลลอฮฺสุลต่านไม่ประสงค์อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้มันเกิดแต่ถ้าเลาประสงค์มันก็เกิดนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่เราได้ทํามันไปแล้วนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดและก่อนที่อัลลอฮ์จะประสงค์ให้มันเกิดอัลลอฮ์ให้สิทธิเสรีภาพของเราอย่างเต็มที่ในการที่เรานั้นจะเลือกทํามันเช่นอัลลอฮฺสุลต่านสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า มีทั้งความดีมีทั้งความชั่วและมนุษย์ก็เลือกที่จะไปทําความดีมนุษย์ก็เลือกที่จะไปทําความชั่วนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺให้เราเลือกก่อนและถ้าเราเลือกแล้วเราทํามันแล้วนะครับหลังจากที่เรามาทํามันเสร็จสิ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮฺประสงค์ให้มันเกิดตามที่เรานั้นมีความต้องการตรงนี้จึงมีกฎข้อหนึ่งว่ามัชีอัตุนอินซาร แต่มาเฉียดตินละกฎข้อนี้นะครับสําคัญมากว่าความประสงค์ของเราเรามีความประสงค์ได้ทุกอย่างสิทธิเสรีภาพของเราอัลลอฮฺให้อิสระเสรีภาพในการที่จะเลือกเต็มที่แต่การเลือกของเราความต้องการของเราจะต้องอยู่ภายใต้ความต้องการของอัลลอฮฺไม่ใช่ว่าเราต้องการอะไรมันจะเกิดขึ้นไปตามความต้องการของเราทั้งหมดนะครับมันจะต้องอยู่ภายใต้ความประสงค์ของเราว่าอัลลอฮฺจะให้มันเกิดหรือไม่เกิด ดังนั้นนะครับถ้าหากมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วและมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แสดงว่าเราก็อ้างได้ใช่ไหมนะครับว่าสิ่งที่เราทําชั่วไปและอัลลอฮ์ทรงตรานั้นก็ประสงค์ให้ความชั่วนั้นมันเกิดหมายถึงพูดกันง่ายๆว่าอัลลอฮ์ตาห์เห็นออสมรู้ร่วมคิดกับความผิดที่เราทําใช่ไหม นะครับบางคนก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างว่าที่ฉันทําชั่วไปเนี่ยก็เพราะลอสปุตตาประสงค์นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีคนบางคนนะครับที่กล่าวอ้างว่าเขาทําความชั่วและเขาก็จะอ้างนะครับว่าเอาลอสปุตตาทรงกําหนดให้ความชั่วนี้มันเกิดแล้วจะพระองค์จะลงโทษฉันได้อย่างไรในการที่พระองค์ลอสปุตตานั้นประสงค์ให้ความชั่วนี้เกิดนะครับและเมื่อฉันไปทํามันทํำไมฉันต้องถูกลงโทษ นะครับสิ่งนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับเพราะว่าในยุคของท่านอุมัเปินคอตโอปรเดลลองอัลฮูเนี่ยก็มีนะครับชายคนหนึ่งลักขโมยและหลังจากที่เขานั้นลักขโมยเนี่ยนะครับเขาก็จะถูกตัดมือและเขาก็บอกว่าท่านจะตัดมือฉันได้อย่างไรอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้ฉันเนี่ยไปลักขโมยท่านอุมรัรก็ตอบกับเขานะครับว่า ดังนั้นอัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้ฉันตัดมือเจ้าเหมือนกันนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์สุลฮัตละก็ประสงค์ให้ฉันตัดมือเจ้าเช่นเดียวกันนะครับก็โดนตัดมือไปนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เชคกุเซมินบอกว่ามันอ้างหลักฐานอ้างตรงนี้ไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างได้ว่าอัลลอฮ์สุลฮัตลาเนี่ยทรง ประสงค์ให้เราทําความชั่วเราเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ประสงค์หรือไม่ประสงค์เนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนเราได้ทํามันแล้วนั่นถึงเราถึงจะรู้ว่านั่นแหละคืออัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดแต่ก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มันเกิดเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญมาก ก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มันเกิดความประสงค์ของอลอสซาลาที่จะสร้างพฤติกรรมของเราให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอัลลอสซาลาให้เราเลือกก่อนนะครับอัลลอฮ์ให้เราเลือกก่อนนั่นหมายความว่าอัลลอสซาลาทรงรู้ทั้งหมดนะครับว่ามนุษย์จะทําอะไรนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บันทึกสิ่งต่างๆเอาไว้ในสิ่งที่มนุษย์ทรงเลือกมนุษย์ได้เลือกมนุษย์จะเลือกทําความดีมนุษย์จะเลือกทาําความชั่วนะครับ อัลลอฮฺสุลฮฺได้ทรงรู้ไว้หมดแล้วก็บันทึกไว้หมดแล้วว่ามนุษย์เลือกจะทําอะไรวันไหนเวลาไหนวินาทีไหนในสถานที่ไหนนะครับใน เ, เลือกจะทําอะไรกับใครมนุษย์เลือกไว้ทั้งหมดแล้วนะครับและก็อัลลอฮฺสุลฮฺตะลาก็ทรงประสงค์ให้มันเกิดและรลับสร้างนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมของเราที่เราทําความดีความชั่วไปมันได้ทําไปแล้วเนี่ย นั่นหมายถึงเอาลอปประสงค์แล้วนะครับให้มันเกิดถึงจะเป็นความดีความชั่วก็ตามเอาลอปประสงค์ให้มันเกิดแต่อัลลอฮฺสุลฮฺตาลาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะครับกับการทําความชั่วของคนคนหนึ่งเพราะอัลลอฮฺสุลฮฺตาลาให้เสรีในการเลือกของเรามาก่อนแล้วดังนั้นเราจะอ้างว่าอัลลอฮฺสุลฮฺตาลาทาไมถึงให้เราทําความชั่วไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮฺให้เราเลือกก่อนแล้วนะครับอัลลอฮฺสุลฮฺตาลาได้ให้สติปัญญา ให้เราได้แยกแยะและให้อัลลอฮฺอัลลอฮฺสุลตาราให้นบีมาบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอัลลอฮฺสุลตารานั้นได้ประทานนั้นคุรานมาได้บอกวไว้ได้บอกถึงรายละเอียดของฮาล้านฮารอมและก็บรรดานะครับนบีทั้งหลายก็มาอธิบายถึงสิ่งที่ฮาล้านฮารอมแตใ่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยและก็บรรดาอุลมามะบรนดาผู้รู้บรรดาผู้ที่มาตักเตือนก็บอกนะครับว่าอะไรฮาล้านอะไรฮารอม มนุษย์เลือกเต็มที่นะครับและหลังจากนั้นเมื่อมนุษย์เลือกแล้วก็จะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์อีกทีว่าอัลลอฮ์อยากจะให้มันเกิดหรือไม่บางครั้งนะครับเราอยากจะทําความดีแต่นะครับอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาไม่ประสงค์ให้ความดีนั้นเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเพราะว่าเขานั้นอยู่ในพฤติกรรมที่มีความชั่วมากมายจนกระทั่งว่าเขาไม่ได้รับความดี ในการดําเนินชีวิตของเขาบางคนทําความดีมาตลอดนะครับครั้งหนึ่งที่เขาอยากจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์ตรัสแล้วก็ไม่ประสงค์นะครับให้สิ่งที่เขาคิดจะทำเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับนี่คือความหมายของคําว่าความประสงค์ความต้องการของเราจะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์อีกทีทุกสิ่งที่เราคิดทุกถึงที่เราจะทำํำ ท, ทุกสิ่งที่เรามีความตั้งใจความต้องการที่จะทํานะครับ มันก็ต้องอยู่ในการพิจารณาของของเราว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่เราจะเห็นได้ว่าบางอย่างเราต้องการมากเราอยากนะครับเราอยากจะแต่งงานกับคนคนนี้เราอยากจะได้ลดเราอยากจะได้สิ่งสิ่งนั้นแต่ทำไมเราไม่ได้สักทีนะครับทำไมเราอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันลุมแล้วเรานะครับที่มันเกิดขึ้นกับเราบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเราขอดูอาอยงมากมายแต่ทาไมเรายังไม่ได้สักทีนะครับคือ อัลลอฮฺสุต้าทรงรู้ดีนะครับความต้องการของเราบางทีมันอาจจะไม่ยังประโยชน์กับเราแต่อัลลอฮฺสุต้าทรงรู้ดีดังนั้นอัลลอฮฺจึงมีพระประสงค์ไม่ให้มันเกิดหรือมีพระประสงค์ให้มันเกิดเพราะอัลลอฮฺสุต้าทรงรู้ดีว่าสิ่งไหนเหมาะกับมนุษย์สิ่งไหนไม่เหมาะกับมนุษย์นะครับดังนั้นเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกเต็มที่เรามีความต้องการอย่างเต็มที่นะครับมีความประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แต่ ทั้งหมดจะต้องอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเหมาะกับมนุษย์หรือไม่และอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์ให้รู้ไว้ว่าพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นมันแฝงไปด้วยกับฮิกมะมันแฝงไปด้วยกับวิทยาปัญญาเหตุผลนะครับที่ลึกซึ้งที่เราเข้าไม่ถึงหน้าที่ของเราจึงต้องพอนะครับพอใจ ในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานทรงพอพระทยัยและอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นนะครับจากพฤติกรรมของเราถ้ามันเป็นความดีอัลฮัมดุลลถ้ามันเป็นความชั่วเราก็ต้องกับเนื้อกับตัวนะครับเพราะว่าเราเลือกเองอัลลอฮไม่ได้บังคับเราแต่อย่างใดดังนั้นนะครับในยุคอดีตมันจะมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเจบรียอัลกดรียอันจบรียนะครับก็คือกลุ่มชนที่ เชื่อว่ามนุษย์ถูกบังคับในทุกอิริยาบถมนุษย์ไม่สามารถเลือกเองได้ความชั่วที่ทําก็ถูกเอาล็อกลิขิตมากําหนดมาทั้งหมดความเชื่อตรงนี้ผิดนะครับมหันเลยและจะต้องไม่ใช่ความเชื่อของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาอลุสุนนาวันเะมาอ่านเน่ยเชื่อว่ามนุษย์นะครับเลือกพฤติกรรมของเราได้ไม่ได้ถูกบังคับทั้งหมดความชั่วที่ทําไปก็มาจากการเลือกของเราจะอ้างเอาลอสภัตตาโทษเอาล็อไม่ได้นะครับต้องโทษตัวเอง พอลอสตาไดทรงตัดเอาไว้นะครับในสุรอกาฟีที่เราท่องจําหรือว่าที่เราได้อ่านกันเป็นประจำกุลินฮักก็ไม่รับบิคุมฟามัญชาอัฟันยุมินวามัญชาอัฟันยักฟุตนะครับหรือไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ในสุรอกาฟีหรือว่าในอายะใดนะครับแต่ลอสตาทรงตัดไว้ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ากุลินฮักก็จงกล่าวเถิดประกาศเถิดว่าศาสนาธรรมนั้น มาจากพระวิบาลของเจ้าฟามันชาอาฟันยุมินใครก็ตามที่ประสงค์นะครับจะศรัทธาเขาก็ศรัทธาใครไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ศรัทธาดังนั้นนะครับใครประสงค์ศรัทธาเขาก็ศรัทธาใครประสงค์ที่จะไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ศรัทธาดังนั้นแม้กระทั่งว่าอีมานอิสลามกาเฟตการปฏิเสธศรัทธานั้นก็อยู่ที่การเลือกของมนุษย์นะครับ ไม่ใช่เป็นการบังคับของอลัลลอฮ์แต่อย่างใดวันกิยามัตรเราไปยืนอยู่ต่อนหน้าอาลัลลอฮ์เราจะไปโทษกับอลัลลอฮ์ได้ไม่ได้ว่าวันนี้อัลลอฮ์สตาล่าก็ตอนดุญญลยาอัลลอฮ์สตาลห้กําหนดให้ฉันเป็นกาเฟสนะครับให้ฉันเกิดมาในครอบครัวกาเฟสแล้วอัลลอฮ์สตาล่าจะให้ฉันลงเนรกได้อย่างไรเราจะเห็นได้ว่าในวันกิยามัตความยุติธรรมของอัลลอฮ์สุฮาห์ตาล่ า, น, ลา น, นะครับจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งที่เรียกว่าอะฮลุฟต์ตรอเนี่ยกลุ่มชนที่ว่างเว้นจาก อิสลามนะครับกลุ่มชนที่อยู่ในช่วงที่ไม่มีแนบีมาหาเขาอิสลามไปไม่ถึงเขาอัลลอฮฺสุตัลลัก็ไม่ได้ให้คนเหล่านี้ลงนรกทันทีอัลลอฮฺก็จะทดสอบอิ ม, อมติฮานพวกเขาด้วยกับการที่ให้เขาเห็นนะครับไฟนรกแล้วก็เห็นความผาสุขและอัลลอฮฺสุตัลลักรก็จะสั่งใช้ให้เขานั้นกระโดดลงไปในไฟนรกเนี่ยถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์ในวันนั้นนะครับเขาก็จะรอด แต่ถ้าหากว่าเขาไม่เชื่อฟังไม่กระโดดลงไฟนะครับเขาก็จะไม่รอดและเช่นเดียวกันนะครับถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ใครก็ตามที่เขาอยู่ในในในเกาะนะครับในบ้านเมืองในดินแดนที่อิสลามไปไม่ถึงจริงๆเนี่ยอลัลลอฮฺตุลลาฮ์ก็จะไม่ลงโทษเขาทันทีอลัลลอฮ์ก็จะทดสอบเขาในวันเกียร์มานะครับและ อ, อัลลอฮฺสุลฮะตลาเนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปะละเลยนะครับที่ใครจะมาอ้างว่าทําไมอัลลอฮฺสุลฮะตลาให้ฉันเป็นกาเฟรอัลลอฮฺสุลฮะตลาให้มีอิสลามนะครับถูกประกาศอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺสุลฮะตลาได้สร้างสิ่งถูกสร้างมากมายเพื่อที่จะยืนยันในการถึงการมีอยู่ของผู้สร้างนะครับและก็สิ่งเหล่านั้นอยู่รอบกายของเราอยู่รอบตัวของเราสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสุลฮะตลาสร้างมาเนี่ย เราสวุตาได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันว่าในโลกนี้มีผู้สร้างนะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหมดนะครับที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้ไข้ครวญว่าในโลกใบนี้นะครับมีผู้สร้างอยู่มันไม่มีความบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ที่ระบบสุริยจั ก, กรวันของเรานะครับมันจะมีความบังเอิญมาเรียงตัวกันแล้วก็อยู่ในความสมดุลอย่างที่นะครับไม่มีข้อตำหนิไม่มีข้อบอกพร่องเลยโลกใบนี้ถูกปกป้องนะครับจากการ พุ่งทำลายของดวงดาวทั้งหลายที่อยู่ในนอกนะครับในจักรวาลอยู่นอกโลกนี้นะครับแต่มีชั้นบรรยากาศคอยปกป้องนะครับไม่ให้โลกใบนี้นะครับได้รับอันตรายจากดวงดาวทั้งหลายและก็มีอีกมากมายอากาศที่เราสูดเข้าไปนะครับออกซิเจนที่มันมีความผสมประสานกันกองจากนะครับสิ่งต่างๆ่าที่อยู่ในอากาศของเราจนกลายมาเป็นออกซิเจน ที่เราหายใจเข้าไปและได้รับประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เนี่ยใครเป็นผู้กําหนดมีนะครับไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติคือความบางังธรรมชาตินะคือระบบนะครับธรรมชาติคือระบ บ, นะ บ, รระ บ, บและทุกระบบจะต้องมีผู้ดูแลดังนั้นนะครับอเลสตาจึงให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นบททดสอบกับมนุษย์ว่ามนุษย์คนใดจะแสวงหานะครับสัจธรรมให้กับตัวของเขาว่าเขานั้นเป็นบ่าวของผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียว อัลลอฮฺสุลตานอฮฺส um ุฮาห์อ hmm. no ัลตานั้นได้ให้บททดสอบเหล่านี้นะครับมากับมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์ต่างหากที่ไม่แสวงหาดังนั้นเขาจะอ้างกับอัลลอฮฺสุฮาห์อัลตานาไม่ได้เลยว่าอัลลอฮ์บังคับให้เขานั้นเป็นกาเฟสแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษเขาได้อย่างไรอัลลอฮ์สร้างสิ่งชั่วร้ายมามากมายแล้วพอเขาไปทํานะครับแล้วอัลลอฮฺสุฮาห์อัลตานาจะลงโทษเขาได้อย่างไรแต่อัลลอฮฺสุฮาห์อัลตาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดีนะครับตรงนี้เราจึงอ้างกับอลัลลอฮามาตลาไม่ได้เพราะอาลัลลอฮฺให้สิทธิ์ในการเลือกเต็มที่แล้วนะครับเหมือนกับบรรดามุชริกีในสมัยของท่านนาบีนะครับที่พวกเขานั้นทําการตั้งพาคีกับอลัลลอฮ์ทั้งทง ท, งที่นบีนะครับได้นําสิ่งต่างๆมาสอนพวกเขามาด่าว่าพวกเขามาเรียกร้องพวกเขาในวันกิยามัดอลัลลอฮ์ก็ได้พันรนาได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่าคนเหล่านี้เขาก็จะอ้างนะครับ กับบรรพบุรุษอ้างไปหาบรรพบุรุษของเขานะครับเขาก็จะอ้างอัลลอฮ์สุพรรณแต่ละอ้างทุกสิ่งทุกอย่างอ้างอัลลอฮ์อ้า ง, างบรรพบุรุษอ้างผู้นำอ้างผู้รู้ของเขาอ้างทุกคนนะครับเพราะเขาต้องการที่จะรอดเขาจะกล่าวว่ายังไงเขาจะกล่าวว่าไซยะกูรุนลาดีนอาชโรกูลาอูชาอัลลอฮ์หมาอาชโรกนาพวกเขาจะพูดว่าบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เขาจะบอกว่านี่ก็คือภาพประสงค์ของอัลลอฮ์ นะครับเราถึงได้ทําการตั้งภาคีถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งคารอมนะครับและด้วยการนี้แหละพวกเขาจึงได้ปฏิเสธศรัทธาบุคคลก่อนหน้านี้กลุ่มชนก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ได้ปฏิเสธศรัทธาจนกระทั่งว่าเขาจะต้องริ้มรถถึงการลงโทษอันเจ็บปวดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลาดังนั้นนะครับมุชริสก็จะอ้างแบบนี้ว่าที่เขาตั้งภาคีก็เพราะอัลลอฮ์กาหนดให้ เขาตั้งภาคีที่เขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็เพราะว่าอัลลอฮ์สุฮาโนตารานั้นเนี่ยกําหนดมาทั้งหมดดังนั้นอัลลอฮ์สุฮาโนตาราจะลงโทษเขาได้อย่างไรนะครับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นข้ออ้างของมุชริกถ้าใครนะครับที่เป็นมุสลิมแล้วยังอ้างแบบนี้หรือว่ามีความเข้าใจแบบนี้เนี่ยความเข้าใจของเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับความเข้าใจของมุชริกเลยนะครับ ที่บอกว่าฉันทําผิดฉันทําผิดฉันทําบาปฉันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็เพราะอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับมุชริกที่จะกล่าวอ้างกับอัลลอฮ์สุนาตาลาในวันเกียรมาว่าเพราะอัลลอฮ์สุนาตาลาประสงค์เนี่ยฉันก็เลยตั้งภาคีมันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ฉันก็เลยตั้งภาคีสิ่งใดก็ตามที่ฉันทำฮารอมทําสิ่งที่บาป ก็เพราะว่าอัลลอฮ์ประสงค์แล้วฉันก็เลยทําถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ฉันจะทําได้ยังไงนะครับเขาก็จะอ้างกับอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้ว่ามนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของเลาทุกเรื่องต้องเกิดจากความประสงค์ของเลาใช่แต่ก่อนที่อัลลอฮ์ประสงค์สร้างมันขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเลือกก่อนเรามีมาชีอะตา ม, มานะครับเลือกที่จะทําได้อย่างเต็มที่นะครับ แต่บางเรื่องที่เราเลือกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ถูกสอบสวนในวันกิยามัตในสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เราเป็นผู้ชายเราถูกกําหนดให้เป็นผู้ชายเราเลือกไม่ได้อัลลอฮฺไม่ได้เอาความเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับมาสอบสวนในวันกิยามัตอัลลอฮฺไม่ได้เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามาสอบสวนในวันกิยามัตเพราะเราเลือกไม่ได้อัลลอฮฺไม่เอาความพิการของเรามาสอบสวนในวันกิยามัตเพราะเราเลือกไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราเลือกไม่ได้เนี่ย มันจะไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนในวันเกียตรติแต่อะไรก็ตามแต่ที่เราเลือกได้คือพฤติกรรมความดีและความชั่วของเรามันจะเป็นฐานแห่งการสอบสวนในวันเกียตรติหลังอย่างละเอียดเลยว่าอัลลอฮ์ให้เลือกแล้วทําไมถึงทําความชั่วอัลลอฮ์บอกแล้วนะครับบอกแล้วว่าอะไรความดีอะไรคือความชั่วอัลลอฮ์บอกตลอดส่งนบีมาส่งคมภีร์มาส่งผู้รู้นะครับให้มีผู้รู้มาคอยเตือนอยู่ตลอดเวลามาคอยสอนตลอดเวลาว่าอะไรฮาลานอะไรฮะรอม มุสลิมเล่นหวยไม่ได้มุสลิมกินของฮารอมไม่ได้มุสลิมแต่งกายฮารอมไม่ได้นะครับจะต้องสามทำสิ่งที่ Allah อ, อนุญาตทําสิ่งที่ฮารานนะครับไม่ผิดประเวณีไม่ดื่มสุลาไม่ทําซีนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่ถูกบอกไว้ทั้งหมดคําพูดไหนดีคําพูดไหนไม่ดีพฤติกรรมทุกอย่างจะถูกสอบสวนในวันเกียรติอย่างละเอียดเนี่ยมนุษย์จะถูกมนุษย์ได้ถูกสอนไว้หมดแล้ว นะครับอัลลอฮ์จะสอบสวนเ ร, เราอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เรามีสิทธิ์มีเสรีในการเลือกนะครับทําไมถึงเลือกทําความชั่วทําไมถึงไม่เลือกทําความดีนะครับความพฤติกรรมของเราจะถูกสอบสวนเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกมันได้ดังนั้นนะครับเชคอุซัยมินก็เลยบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาจะเดินทางไปไหนก็ตามแต่อย่างเช่นสมมุติว่า คนคนหนึ่งนะครับเชิลเซมินบอกว่าคนคนหนึ่งถ้ามีคนมาบอกกับเขาบอกว่าอ่ถ้าให้ท่านเลือกเนี่ยระหว่างสองประเทศนี้ท่านจะไปไหนประเทศหนึ่งนะครับมีความสุขมีความผาสุขเศรษฐกิจดีมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตมีความปลอดภัยนะครับทำมาค้าขายก็อิสระเสรีนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในบ้านเมือง กับอีบ้านเมืองหนึ่งนะครับไม่มีความปลอดภัยมีสงครามมีการเข่นข่ากาันท่านจะไปไหนนะครับแน่นอนคนคนนี้ก็จะต้องตอบนะครับทันทีว่าฉันจะต้องไปบ้านเมืองนี้สิทํามาค้าขายก็ดีมีความปลอดภัยจะถือศาสนาอะไรก็นะครับเสรีภาพไม่มีใครมากดขี่ข่มเหงให้ฉันเป็นมุสลิมให้ฉันนับถือศาสนานะครับแล้วก็มีแต่ความดีงามฉันก็ต้องเลือกไปที่แห่งนี้สิ และก็ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเขาเลือกบอกว่าอ๋อฉันจะไปบ้านเมืองเนี่ยฉันจะไม่ไปบ้านเมืองที่สงบสุขฉันจะไปบ้านเมืองที่ลําบากถามว่าทุกคนก็จะประนานชายคนนี้ว่าให้เลือกแล้วแต่ทําไมไปเลือกเดินทางเส้นนี้ไปเลือกเดินทางแบบนี้ฉันได้ก็ฉันนั้นครับการมีอีหมา่านการศรัทธาต่อหลอกการทําความดีถ้าให้เลือกที่จะทําแล้วนะครับแล้วเขาเลือกที่จะไปทําความไม่ดีที่ตรงกันข้ามกับความดีงาม นะครับการตอบแทนที่ดีจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเขาที่เขาเลือกทำถ้าเขาเลือกที่ทำความชั่วนะครับแล้วบั้นปลายก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกลงโทษแน่นอนวันเกียรมิขอเขาก็จะเป็นบุคคลที่ถูกตำหนิและก็จะถูกข่มขู่ด้วยกับการลงโทษในไฟนรกนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นและตรงนี้นะครับอัลลอฮสุลตาราได้ตรงตัดเอาไว้ว่าลีมันชอะมิงกุมอเยสต์กิมจะมีแค่มินกุมหนึ่งคน นะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มชนก็จะมีแค่บางกลุ่มชนนะครับก็คือบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดที่จะยืนหยัดอิสตีกรมะในศาสนาของอัลลอสุบฮานหงฮวาตาอาลานะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเาลกานินอินซานยัฟอลุยัฟอลุชัยะบิมัชชีอติฮิวกติยารรฮิเชคอุเซมีนบอกว่าคนที่เขายืนหยัดบนศาสนา ยึดมั่นอยู่บนศาสนาก็เพราะว่าเขามีความประสงค์และก็จะมีแค่กลุ่มชนหนึ่งไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดนะครับอัลลอฮฺสุลตาราจะให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นมุสลิมได้ไหมเป็นได้อัลลอฮฺสุลตาราจะให้มนุษย์ทั้งหมดศรัทธาได้ไหมศรัทธาได้แต่อัลลอฮฺซุบฮาหนะฮฺอัลตาลาต้องการที่จะทดสอบมนุษย์นะครับที่จะทดสอบมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นจะเลือกเดินหนทางอะไร หลังจากที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาได้ให้นบีมาบอกแล้วอันกุรานมายืนยันแล้วแล้วก็สิ่งถูกสร้างต่างๆก็ยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺสุฮาโนตาลาแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์จะเลือกอะไรอัลลอฮฺสุฮาตาลาให้เลือกเต็มที่นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราเลือกที่จะทํามันนะครับอย่างมุ่งมั่นตั้งใจแต่เราก็นะครับ เราก็ล้มเลิกความตั้งใจนั้นไปก็เพราะว่าอัลลอสฺซุบฮฺฮานุอัลตาราเนี่ยไม่ประสงค์ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมครับหลายต่อหลายครั้งที่เรามีความต้องการที่อยากจะได้อยากจะมีหรือมุ่ง ม, มั่นตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะต้องไปให้ได้แต่พอถึงจะขับรถออกจากบ้านนะครับกลับมีอุปสรรคขึ้นมาทำให้เรานั้นนะครับมีตัวมาขวาง มีเหตุการณ์หนึ่งใดมาขวางเราไม่ให้เราไปทำในสิ่งที่เราตั้งใจเนะี่ยให้รู้ไว้ว่านั่นแหละคืออัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้สิ่งที่เราต้องการมันเกิดเราต้องการที่จะไปฟังบรรยายไปฟังศาสนาแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีธุระด่วนเข้ามาไม่ให้เราได้ไปฟังบรรยายศาสนานะครับอันนี้ให้รู้ไว้ว่านี่แหละคืออัลลอฮ์สุนะตาไม่ประสงค์ให้สิ่งที่เราต้องการมันเกิดนะครับเราอยากจะได้ลด เราเก็บตังมาตั้งนานนะครับถึงเวลาเราต้องเอาเงินนั้นไปใช้นะครับในกิจการอื่นๆนะอย่างเช่นป่วยขึ้นมาเงินที่สะสมไว้ต้องเอาไปใช้ในรักษาตัวเองนะครับด้วยกับอาการป่วยนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอัลลอฮฺซワดีลลาฮฺไม่ประสงค์ให้เราได้ลดขันนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมันจะต้องอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการอะไรก็ตามแต่แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นเราไม่ต้องไปเครียดเราไม่ต้องไปเศร้าบางทีเราอยากได้อยากมีอะไรแล้วอัลลอฮฺทรงอาลัยยังไม่ให้เราเนี่ยเราไม่ต้องไปเครียดนะครับบางคนพอตั้งหวังเอาไว้ว่าฉันจะต้องสอบได้เกรดดีๆฉันทําแบบนี้แล้วฉันเป็นคนเก่งฉันฝึกฝนมาตั้งนานฉันจะต้องชนะให้ได้ฉันจะต้องทําให้สําเร็จแต่พอเราป ร, ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเราก็เกิดโรคซึมเศร้าเราก็เครียดบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเนี่ย เพราะเขาไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของกอร์ดวัลกอดารการกําหนดของอัลลอฮ์สุลตาลาว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการอะไรก็ตามที่เรามีความประสงค์มันจะต้องอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์สุลตาราทั้งหมดถ้าเราไม่ให้มันเกิดก็แสดงว่าอาัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะกับเรานะครับถ้าอัลลอฮ์ให้มันเกิดแสดงว่าสิ่งนั้นนะครับอลัลลอฮ์ประสงค์แล้วและทุกอย่างที่อลัลลอฮ์ประสงค์ล้วนแล้วแต่มีวิทยาปัญญามีเหตุผล นะครับที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เสมอดังนั้นอะไรก็ตามแต่นะครับที่เราทำเนี่ยและเราประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยให้เราคิดดีกับอรรถสุฮภัตตาลาและเราจะมีความสุขและถ้าหากว่าเราเข้าใจนะครับในเรื่องของโกอดอ ว, วันกกดัดการกําหนดของอรรถสุภานุตาลาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยชีวิตของผู้ศรัทธาคนนั้นเขาก็จะมีแต่ความสุขนะครับจะไม่เครียดจะไม่เกิดความทุกข์นะครับจะไม่เกิดโรคซึมเศร้านะครับจะคิดดี ในการดาเนินชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความราบเรียบมีความสุขนะครับไม่เครียดในการดาเนินชีวิตก็จะมีแต่ผลดีตามมาถ้าเข้าใจในเรื่องของโกโดวันโกดัตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็มีเชคุตซมินบอกว่ามีคำถามนะครับคาถามถามชาวชว น, นบทอาหรับช น, นบทนะครับว่าท่านรู้จักอัลลอ์ได้อย่างไร หลายๆครั้งนะครับที่เราเรียนเรื่องอากีดนะเนี่ยถ้ามีคนถามว่าท่านรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะตอบว่าก็เพราะสิ่งถูกสร้างที่อยู่รอบข้างเรานะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการมีผู้สร้างแต่อารับชนบทนะครับบางคนเขาตอบแบบนี้ว่าการที่ฉันรู้จักพระเจ้าได้เนะี่ยก็เพราะว่านะครับการล้มเลิกความตั้งใจและการผินความ สนใจของฉันออกไปจากสิ่งที่ฉันต้องการทํามันนะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าคนคนหนึ่งนะครับเชโกเซมีก็อธิบายถอยคํานี้นะครับมันเป็นประโยคสั้นๆที่ต้องอธิบายคําว่าล้มเลิกความตั้งใจเนี่ยหมายความว่ายังไงคนคนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแน่วแน่ตั้งใจแต่นะครับจู่ๆเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเอะวันนี้ฉันไม่ทํำดีกว่านะวันนี้ไม่ไปละ นะครับอยากจะไปมากแต่พอถึงเวลาวันนี้ไม่ไปละถามว่าใครเป็นคนล้มเลิกความตั้งใจตรงนี้หลังจากที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทํามันนะครับอยากจะได้อยากจะมีใครที่มาล้มเลิกความตั้งใจของเขานะครับมาผันหัวใจของเขาให้เขาล้มเลิกความตั้งใจนี้ได้ถ้าไม่ใช่ผู้สร้างหัวใจผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เขามีความมั่นใจมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วว่าจะทํามันแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีอุปสรรค นะครับมาขวางเขาไม่ให้เขาทํามันจะเป็นอุปสรรคที่ฮิตเซียแบบจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เป็นความรู้สึกที่อยากไม่อยากจะทํามันขึ้นมาเฉยเฉนะครับล้มเลิกความตั้งใจไปใครเป็นผู้ผันหัวใจของเขาให้เขาล้มเลิกความตั้งใจถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ประสงค์ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีผู้ที่ลิขิตนะครับมีผู้ที่กําหนดว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดนะครับ มันอยู่ภายใต้ความประสงค์ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นนะครับขอสรุปว่าเชโกเซมินบอกว่านะครับสรุปว่ามนุษย์เนี่ยรีมันชะมินกลุ่มและก็จะมีผู้หนึ่งนะครับจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความประสงค์ที่จะยืนหยัดตามแนวทางของอันกุรานสแสดงว่าอะไรครับมนุษย์นั้นมีมาชีอะมีการเลือกได้คนที่ยืนหยัดคนที่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาคนที่ รับนับถือศาสนาคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ทำความดีความชั่วนั้นมาจากการเลือกของเขาได้อย่างเสรีภาพนะครับอย่างอิสระเขาจะเลือกทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเขาให้เราเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าที่เราทำทุกวันนี้นะครับจะทำความดีความไม่ดีเราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะออกไปส่งลูกเราจะออกไปทำงานนะครับมันมาจากการเลือกของเราทั้งสิน้นไม่ใช่เป็นการบังคับเขี่ยวเข็นของอัลลอสุบฮานาอุตาลาแต่อย่างใด นะครับเราจึงไปอ้างกับอัลลอฮ์สุบฮานตะลาในวันเกียร์มัดไม่ได้ว่าอัลลอฮ์บังคับให้เราทําความชั่วนะครับแล้วก็นะครั บ, นะรบเช่นเดียวกันนะครับเชคอุซัยมินบอกว่าคําว่าอิสติกอมาเนอไอเยสตากีนอะิสติกอมาตรงนี้แปลว่าอันอัลดูแปลว่าความว ah ัสดียะทางสายกลางนะครับความยุติธรรมคนที่ประสงค์จะยืนหยัดอยู่บนศาสนาของเราก็คือยืนหยัดอยู่บนทางสายกลางมีความยุติธรรม ที่ไม่ใช่ความสุดโต่งและก็ไม่ใช่ความหย่อนยานนะครับอิสลามะที่ถูกต้องในหลักการอิสลามก็คืออิอดลู อ, ลอียติดดนนะครับความยุติธรรมที่มันจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นจะมีถ้อยคำหนึ่งที่บรรดาอุลามะมักจะพูดกันว่าอันนัดดีน้ะแท้จริงศาสนานี้นะครับก็คือศาสนาอิสลามเนี่ย ซาลิฮุนหรืกุ ล, ลิซามานินวามะแกนินวะฮารินนะมันมีผลประโยชน์นะครับที่ยังประโยชน์ในทุกยุคทุกสมัยที่เหมาะสมในทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพของแต่ละบุคคลถ้าใครที่เขานั้นยึดมั่นในาศาสนาของอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสให้เขานั้นได้รับประโยชน์อันดีงามลองพิจารณาดูนะครับหลักคําสอนของอิสลามถึงความอิสติกร์มาถึงการ เที่ยงธรรมนะครับหรือว่าถึงผลประโยชน์ที่อัลลอฮฺสุลฮฺตาลได้วางบทบัญญัติที่ดีงามให้กับหลักการของอิสลามเนี่ยไว้ว่าคนที่ละหมาดคนที่ปฏิบัติหลักการอิสลามเขาจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีอย่างไรมันเหมาะสมกับเขาอย่างไรนะครับพออัลลอฮฺสุลฮฺตาลได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮฺสุลฮฺตาลก็ได้ทรงวางบทบัญญัติต่างๆนะครับด้วยกับความยุติธรรมด้วยกับความเหมาะสม นะครับเช่นคนคนหนึ่งเขาได้ทําการละหมาดถ้าเขายืนไม่ได้อัลลอฮ์ก็อนุโมทให้เขาอนุโลมให้เขานั่งได้ถ้าเขานั่งไม่ได้อัลลอฮ์สุลตาราก็ให้เขานอนนะครับแล้วก็ทําสุดความสามารถให้เหมาะสมกับสภาพของผู้คนนะครับบางคนทําน้ําละหมาดนะครับแต่เมื่อไม่มีน้ําก็ทําตะยามมุมแต่ถ้าหากว่าป่วยนะครับโดนฝุ่นไม่ได้ โดนน้ำไม่ได้โดนอะไรไม่ได้เลยก็สามารถที่จะละหมาดโดยที่ไม่ต้องทําน้ําละหมาดแล้วก็ไม่ต้องทําตยามุมนะครับตรงนี้แหละที่อัลลอฮฺสุลตาราที่ท่านอาบีหรือบรรดาอุลมามะนะครับบอกว่ามันเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยกับทุกสภาพนี่แหละคือความอิสติกอรมาความเป็นกลางความยุติธรรมของอัลลอฮฺสุลตาราที่จะไม่มีบทบัญญัติไหนที่มีความนะครับเที่ยงธรรมมากกว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลา นบีจึงนะครับนบีมุฮัมมัดจึงห้ามในการที่จะสุดโต่งนะครับในเรื่องของศาสนาและก็หย่อนยานในเรื่องของศาสนาท่านนาบีเคยนะครับประกาศไว้ว่าฮาละกันมุตนัติอูนถึง3ครั้งว่าขอความวิบัติประสบกับความวิบัติจะประสบกับใครกับบุคคลที่สุดโต่งในเรื่องของศาสนาทาั้งทั้งที่ลอสโจนาตาได้สร้างศาสนามาให้อยู่แนวทางสายกลางอยู่ระหว่างความสุดโตง่งและความหย่อนยาน นะครับความเป็นสายกลางของศาสนานะครับนั่นก็คือความเป็นสายกลางของอัลลอฮุนนะวันจามะคือหลักการของอัลลอฮ์และก็ของท่านนาบีนะครับให้เราอยู่บนความสายกลางความยุติธรรมเมื่ออัลลอฮฺสุตลาให้มีการปฏิบัติศาสนาอัลลอฮ์ก็มีข้ออนุโลมข้อผ่อนผัน ไม่ใช่บังคับจนกระทั่งว่าเกินความสามารถใครก็ตามทำให้มันเกินความสามารถนะครับบังคับเขี่ยเข็นตัวเองทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ Allah ให้ข้อผ่อนผันแต่ไม่ยึดข้อผ่อนผันของอัลลอ์นะครับแต่จะไปยึดแต่นะครับความหนักแน่นนะครับและอ้างว่ายืนหยัดแต่ไม่เอาข้อผ่อนผันใดๆเลยที่อัลลอ์ให้มานะครับอัลลอฮ์ให้ข้อผ่อนผันก็ไม่ปฏิบัติใช้จะยึดในสิ่งที่ยาก ถึงแม้ว่ามันจะเกินความสามารถจนเกิดความยากลําบากกันตัวเองและก็เกิดผลเสียกับตัวเองก็ไปยึดในสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัตินะครับไม่ยึดเอาข้ออนุโลมของศาสนาที่มาจากหลักการของอัลลอฮ์คนเหล่านั้นคือคนที่สุดตรงในเรื่องของศาสนาหรือว่ามีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคอวาริชคือกลุ่มสุดตง่งที่เขานั้นพา ย, ยายามจะทําอะไรที่มันนะครับเป็นเรื่องของข้อบัญญัติใช้โดยที่ไม่สนใจในเรื่องของข้อผ่อนผันใดๆนะครับ แล้วก็บางกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่เป็นมุรจิอะนะครับจะเอาแต่ข้อผ่อนผันจนจนไม่สนใจในเรื่องของข้อบัญญัติใช้ในภาวะปกติก็จะเอาแต่ข้อทางออกทางเลี่ยงนะครับหรือว่าละทิ้งนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ามุรจิอะนะครับไม่สนใจหย่อนยานจนไม่สนใจอะไรเลยหรือว่าสุดโต่งจงไม่สนใจข้อผ่อนผันเลยไม่ได้อยู่ทางสายกลางนะครับยึดมั่นในข้อบัญญัติบัญชาใช้ในสภาวะปกติ แต่ก็หาข้ออนุโลมนะครับเมื่อมันสู่ในภาวะอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติก็มีข้ออนุโลมก็ปฏิบัติตามข้ออนุโลมวันนี้เดินทางจากตอนอยู่บ้านละหมาดสีพอเดินทางละหมาด2บางคนนะครับฉันจะไม่ละหมาด2เพราะมันละหมาดไม่เต็มฉันจะละหมาดสีฉันจะละหมา ด, ดวันศุกร์ฉันจะละหมาดทุกครบทุกอย่างนะครับสร้างความยากลําบากทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เอาล็อกให้ข้อผ่อนผันตรงนั้นตรงนี้ไม่เรียกว่าอิสติกร์มานะครับตรงนี้เรียกว่า อันอินฮิโรฟก็คือการผินเฉเบี่ยงเบนออกจากแนวทางสายกลางที่อัลลอฮฺสุลฮานอต阿拉ได้ทรงวางให้กับท่านอบดีมาประกาศนะครับอัลลอฮฺสุลฮานอต阿拉จึงตําหนิบุคคลที่สุดโตง่งและก็หย่อนยานเช่นบางคนนะครับที่อัลลอฮฺบอกว่าไวซาก้อมูอิลสซาลาก้อมูกุซาลาเมื่อเขายืนละหมาดเขาก็จะยืนขึ้นมาอย่างเกลียดค้านนะครับเกลียดค้านคนเหล่านี้คือคนที่หย่อนยานในเรื่องของาศาสนานะครับบางคนก็อย่างที่บอกนะครับ ฉันปวดขาฉันทรมานเหลือเกินแต่ฉันจะยืนละหมาดฉันจะไม่นั่งเพราะเดี๋ยวฉันจะไม่ได้ผลบุญเต็มนะครับเพราะไม่เข้าใจในหลักการของอัลลอฮ์ไม่รู้ข้อผลปนไม่รู้ข้ออนุโลมในเรื่องของชาริอะห์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ทั้งๆที่อัลลอฮ์ได้วางความสมดุลนะครับให้มนุษย์ได้ปฏิบัติอย่างง่ายได้ไม่ให้มนุษย์นั้นเบื่อหน่ายและก็รู้สึกยากลําบากกับศาสนาให้มันอิสติกรมาให้มันเอติดาลให้มันเป็นวัสตีอาเป็นความทางสายกลางนะครับของ ผู้ศรัทธาดังนั้นตรงนี้นะครับคำว่าทางสายกลางหรือว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของการอิบารัต่ออัลลอ์และก็ปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์เชคอุซีมีนบอกว่าบางคนนะครับอพอพูดถึงเรื่องซุนนะพอพูดถึงเรื่องของศาสนานะครับจะกลายเป็นคนที่เคร่งขึมจนกระทั่งว่าไม่นะครับไม่ยิ้มแย้มบิสีหน้าบึง้งตึงแล้วก็ เขี่ยเข็นกับเพื่อนมนุษย์นะครับจนกระทั่งว่าไม่หาข้อผ่อนปนใดๆแล้วก็สั่งใช้ผู้คนนะครับด้วยกับความยากลาบากสอนผู้คนด้วยกับความรุนแรงจนกระทั่งว่าไม่มีความอ่อนโยนในมิติที่จำเป็นจะต้องอ่อนโยนใช้ความรุนแรงอย่างเดียวในงี้แงมุมเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่การอิสติกรมาหรือชาวแนวทางของชาวสุนน ะ, นะครับ เรียกร้องผู้คนไปด้วยกับความรุนแรงอย่างเดียวจนไม่มีความอ่อนโยนให้กับใครเลยไม่มีความรักมาให้กับใครเลยนะครับจึงมีคําพูดหนึ่งนะครับความพูดหนึ่งของบรรดาปราดนะครับที่พูดกับบรรดาพูดจะตัดสินสาศาสนาเนี่ยผู้ตัดสินผู้ที่เป็นกอดีผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่าจําเป็นเหลือเกินนะครับที่จะต้องมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะครับ ยัมบอรีไอยาคูนนลีนันมินไลดีดอฟินอ่อนโยนได้แต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าวนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าจะพูดเรื่องอิสลามพูดเรื่องสุนนะไม่จำเป็นจะต้องรุนแรงเสมอไปแต่ให้พูดนะครับด้วยกับหลักการที่ถูกต้องมีความอ่อนโยนในการนำเสนอนะครับเมื่อไหรที่จะต้องพูดหนักเมื่อไรที่จะต้องอ่อนโยนเมื่อไรที่จะต้องใช้ไม้แข็งเมื่อไรที่ต้องใช้ไม้อ่อน มันต้องมีลูกล่อลูกชนในเรื่องของการดะะ่าว่าการสอนศาสนาไม่ใช่ปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์นะครับจะต้องดีจะต้องเพอร์เฟกจะต้องรอเซแต่อารุมอร่วยกับตัวเองแต่ไปอะไรครับเขี้ยวเข็นเพื่อนมนุษย์เขี้ยวเขนผู้คนนะครับจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แต่กับตัวเองอารุมอร่วยทุกอย่างนะครับหาข้อผ่อนปนให้กับตัวเองตลอดแต่กับผู้คนนะครับบรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน เรากลับไปบอกว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่สนข้อผ่อนปนใดๆที่ศาสนาให้แต่กับตัวเองนะครับพยายามจะหาข้อผ่อนปนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ใช่แนวทางของนักดารีนะครับที่จะสอนผู้คนแบบนี้เหมือนกับเชคบินบาสบอกว่าอะไรครับฮิกมาที่แท้จริงเนะี่ยในการดาว่าผู้คนในการวัสตียะนะครับสายกลางของการดาว่าเนี่ยก็คือเอาของหนักไปวางไว้นะครับ ในที่ที่สามารถรับได้นะครับอย่างเช่นโต๊ะตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะรับน้ำหนักได้หนึ่งรอยกิโลแต่เรากับเอานะครับเอาน้ำหนักสองร้อยกิโลไปวางโต๊ะที่สามารถรับน้ำหนักได้แค่ร้อยกิโลโต๊ะนั้นก็พังนะครับบางบางบางครั้งเรามีของชิ้นหนึ่งนะครับมันเบามากแต่เราไปซื้อโต๊ะที่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้เป็นตันนะครับมาวางหนังสือไม่กี่เล่มนะครับมันก็ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรที่จะวางของหนักไว้ที่นะครับสถานที่มันรับได้วางของเบาในสถานที่ของมันในที่ที่มันรับได้นะครับบางจังหวะมีหนักบางจังหวะมีเบานะครับมีผ่อนหนักมีผ่อนเบาตามสถานการณ์นักดเอจะรู้นะครับว่าควรจะวางสถานการณ์เหล่านี้ไว้ในความเหมาะสมของมันนี่แหละเรียกว่าฮิกมนะครับและก็คำ ว, ว, ว่าอิสติกรมาหรือว่าสติยะเนี่ยก็คือรวมทุกเรื่อง ทังเรื่องของอีบาร์ดะทั้งเรื่องของการด่าว่าปฏิบัติกับอัลลอฮฺปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์จะมีความเป็นกลางนะครับไม่สุดโตงไม่หย่อนยางอยู่ทางสายกลางตามแนวทางของสุนนะของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺนะครับแล้วก็อายะฮ์สุดท้ายนะครับว่ามาแต่ชาอูนะอินละอายะฮชาอัลลอฮุรรับบุญอัลลอฮมีนและพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮฺทิ้งท้ายนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายหมายถึงมนุษย์ หมายถึงเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีความประสงค์มีความต้องการใดๆเว้นแต่ว่าความประสงค์ความต้องการของเราจะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับตรงนี้ให้เราเข้าใจว่าเรามีความประสงค์มีความต้องการได้ทั้งหมดอยากจะทําอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการอัลลอฮ์จะพิจารณาอีกทีว่าเหมาะสมกับเราไหมอัลลอฮ์จะให้เกิดไหมนะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดอัลฮัมดุลิลลัคนะครับ สิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะมีอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดแสดงว่าอัลลอฮ์รู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับเราทั้งดุลยาและอาคีรอต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่าใจนะครับคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์มันจะเกิดความเครียดนะครับแต่อะไรก็ตามที่เราเลือกได้นะเลือกได้ก็คือพฤติกรรมของเราความดีความชั่วถ้าทําความดีอัลฮัมดุลิละถ้าทําความชั่วจะไม่ตําหนิใครยกเว้นตัวเองเพราะอัลลอฮ์เลือก และให้เราเลือกแล้วให้เราเลือกให้เสรีในการเลือกแต่เราเลือกที่จะไปทําความชั่วเองเราต้องโทษตัวเองนะครับและอัลลอฮฺจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดอยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺอีกทีหนึ่งนะครับแต่มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อย่างเต็มที่ดังนั้นนะครับเราวันนี้เราเลือกทําความดีเราเลือกทําความชั่วมันขึ้นอยู่กับตัวเราและเราเลือกทําอะไรอยู่เราต้องถามตัวเราให้มากเราต้องสอบสวนตัวเราให้มากว่า ณวันนี้ณวินาทีนี้เราอยู่ในวินาทีที่อัลลอฮฺพอพระทยัยหรืออัลลอฮฺโกรธกิ้วถ้าเรายังอยู่ในช่วงเวลาของความพอพระทัยของอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺแต่ถ้าว่าวันนี้เรายังอยู่ในช่วงเวลาของความการโกรธกิ้วของอัลลอฮฺพฤติกรรมของเราที่ทําไปมันอยู่ในพฤติกรรมที่โกรธกิ้วที่อัลลอฮฺโกรธกิ้วเราต้องกลับเนื้อกลับตัวทันทีนะครับอย่าปล่อยให้ความชั่วเหล่านี้มันลอยนวลและมันอยู่กับเรา ไปนานๆเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นถูกนําไปสู่ไฟนรกของอัลลอฮ์สุลฮาวตา阿าเพราะว่าเรานั้นเลือกที่จะทํามันด้วยกับตัวของเราเองนะครับอัลฮัมดุลิละนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จบสุระ อ, อั ต, ตักวิรอินชอาละในะคาบต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับถ้าอัลลอฮ์ทรงตรัสทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นเราก็จะมาเรียนนะครับในสูร์รอดต่อไปเรื่อยๆจนถึงกุลอาอูบริราบินนัสนะครับ จบยุสอัลมานะครับหนังสือเล่มนี้อธิบายโดยเชคอุไซมีนนะครับเป็นการอธิบายตัปซิดของเชคอุไซมีนร้อยหมากรอต่างอันละนะครับขออวยจากอัลลอฮฺุตัลลาให้ท่านนั้นได้รับความดีงามได้รับสวรรค์ของลออันกว้างขวางนะครับได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺุตัลลาส่วนวันนี้นะครับก็ขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์นะครับก็อินชาอัลลอฮฺเราก็จะได้รับความรู้ความดีงามไปพร้อมกัน นะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็มาจากตัวผมและก็ใช้ตอนนะครับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั้นมาจากอลัลลอฮฺสุลฮังตลาก็ขออัลลอฮฺสุต阿าทรงประทานความดีงามแล้วก็ทรงอภัยโทษให้กับพวกเราทุกคนให้พวกเราได้รับความดีงามอย่างมากมายทั้งดุลยาและอาคิรอะนะครับได้เดินอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็สิ่งที่เราทําความดีก็ขออัลลอฮฺสุต阿าให้เรายืนหยัดในความดีสิ่งที่เราทําความผิดพลาดก็ขออัลลอฮฺสุต阿าพิภัณฑหัวใจของเราให้เราเตาบัตกับเนื้อกับตัวนะครับ สวัสดีนะครับก็ขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับ a s s i w a r a t u